Book 2ูเก้สิบสคำสันธานหนึ่งฟุกเวอรอจนฝนหยุดก่อนวตต์เปเรียน รอจนดิฉันเสร็จก่อนรอจนกว่าเขาจะกลับมาดิฉันรอจนกว่าผมจะแห้งดิฉันรอจนกว่าหนังจะจบ e อ w a วัชต์ต่อที่ฟิล a มคลดิฉันรอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเอ็กวัชต์ต่อที่ e ฟเลี้ g งกรุนเอคุณจะไปพักร้อนเมื่อไหร่วันนี้ขอนย้ายอพาร์ตเมนตก่อนวันหยุดหรือดูร้อนอีกหรือ นกฟู o ์ดีซูเม m e r vakansie. ใช่ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่มยาหนกฟู o ์ดีซูเม m e r ฟ a k a n ซ i ่ begin ซ้ำหลังคาก่อนที่ฤดูหนาวจะเริ่ม herstel die d a k v o o r die winter begin ล้างมือของคุณก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะ Was jou hande, voor jy a a ย tafel sit. ปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอกมาดูที่หน้ e ต่าง r ูร์ยี่อิดก้อ n คุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่วันนี้รุ่งยี่ไฮส์ต์หลังเลิกเรียนหรือนอกคลาสค่ะ หลังเลิกเรียนยานอร์ติท拉斯เฟอร์บายเอหลังจากเขาประสบอุบัติเหตุเขาทำงานไม่ได้อีกต่อไปนอร์ตไฮเออุนเกลกาติดกูไนนีมิเอร์เวอร์กนีหลังจากที่เขาตกงานเขาไปประเทศอเมริกา นอร์ทไธสไสว r เวิร์ก o r ลูเอร์ต์เอสไธนอออเมริก a หลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกาเขาก็ร่ำรวยน a d ์ทไธออเมริกาตูเอสเฮตไธร่ำเกวอร์